มงกุฎไพรเล่มหนึ่งตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบนคืนเดียวกันนี้เองคณะของฝ่ายเชษฐาวราฤทธ์ภายใต้การนำของเจ้าด้วนก็ได้มาหยุดพักแรมอยู่กลางความทึบทมึนของป่าดงดิบซึ่งมียอดไม้สูงทะยานเยี่ยมฟ้าแผ่ปรกกิ่งใบคลุมไว้จนมองไม่เห็นดาวเดือนนั้นอินและอนุชาเป็นผู้กาหนดบริเวณอันเป็นแหล่งน้ำซับ ในวงแวดล้อมของดงเถาวันขนาดเขืองเป็นที่หวางแคมป์เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาเศษเมื่อตรวจสอบแหล่งน้ำอันทับถมอยู่ด้วยใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมาหมักหมมจนน้ำเป็นสีชาว่าเป็นน้ำที่พอจะอาศัยได้ภายหลังใส่ ย, ยาฆ่าเชือ้อโดยไม่มีพืชหรือสิ่งปฏิกูลอื่นใดที่เป็นพิษเจือปนอยู่ก่อกองไฟลุกชนขึ้นสามมุมเพื่อ อ, อาศัยไออุ่น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 กิ่งและลำต้นของเถาวัลย์ใหญ่ที่โคดเคี้ยวขบวดพันราวกับลวดลายกระนกอันธรรมชาติสร้างสารรค์ไว้กลายเป็นที่ผูกโยงผ้าเขามา้าทำเปลนอนได้อย่างสบายของพวกลูกหาบและบางคนก็สามารถจะจัดหาที่นอนแวดล้อมบริเวณพักของเจ้านายได้บนกระเช้าเถาวัลย์อันเปรียบเสมือนเตียงสปริงรองรับอย่างดีซึ่งมีอยู่ทั่วไปมีเจ้าด้วนอยู่ร่วมขบวนด้วยเพียงตัวเดียวย่อมเป็นที่ไว้วางใจได้ว่า มันจะเป็นยามระวังเหตุให้ได้เหนือกว่ามนุษย์ที่เจนป่ามาอย่างดีแล้วสักสิบคนก็ไม่ปานเพราะไม่ว่าอะไรที่จะแพลี่านเข้ามาใกล้ที่พักมันย่อมจะต้องสัมผัสได้ในทันทีตามสมรรถภาพของช้างป่าและตัวมันเองโดยสันดานนอกจากความแสนรู้แล้วก็ยังเป็นนักสู้ตัวากาดอีกด้วยเมื่อกองไฟลุกโชน เมื่ออาหารประทังชีพมื้อสุดท้ายแห่งวันผ่านพน้นทั้ง16ชีวิตก็เข้ามานั่งล้อมวงผิงไฟก่อนที่จะเข้านอนดารินยังคงพะวงกังวลอยู่กับเจ้าช้างโทนคู่บารมีของหลอนอยู่พยายามสั่งเสียมันไม่ให้ริ้นตัวแยกไปไหนภายในคืนนี้หลอนพูดกับมันในขณะที่มันลงไปยืนแช่อยู่ในแหล่งน้ำซับเอางวงดูดน้าพ่นใส่หลังตัวเอง มงกุดไพรเล่มหนึ่งตอนที่183คราวนี้เสียงปืนจากฝ่ายนั้นก็ระดมกระหน่ำขึ้นเรากลับประทัดวันตรุดไม่รู้ใครตัวใครยิงมาจากที่ไหนบ้างมีเสียงหนักๆดังมาจากด้านหลังแล้วใครคนหนึ่งก็คว้าต้นแขนหล่อนหมับลากดึงให้เดินตามมาด้วยนำกลับเข้าไปในบริเวณกองไฟที่พักพวกรออยู่ก่อนแล้ว เป็นพี่ชายกลางนั่นเองขณะที่จับตัวน้องสาวนำเดินเข้ามาก็พูดต่อไปว่าป่าที่พักอยู่นี่น่ากลัวมากนะน้อยอย่าชะล่านักและก็อย่าไปเรียกเหมือนว่าลูกเดี๋ยวมันโกรธเอารู้ไว้สิด้วยว่ามันอาจเกิดก่อนเธอเสอีกทำไมจะเรียกไม่ได้ก็น้อยรักเขาเหมือนลูกและถ้ามีลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรักเท่าเจ้าด้วนหรือเปล่าเรื่องอายุไม่ต้องพูดถึง เพราะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ระหว่างช้างกับคนพี่กลางนี่ชอบยุ่งกับน้อยซะจริงเชียวเวลาน้อยจะเข้าไปใกล้เจ้าด้วนหญิงสาวฉุนนิดๆพยายามจะสะบัดแขนออกแต่อนุชาคงรวบต้นแขนไว้มั่นไม่ยอมปล่อยครึ่งลากครึ่งจูงเอาตัวกลับเข้ามาในบริเวณกองไฟซึ่งมีพักพวกนั่งดื่มกาแฟกันอยู่ใช่สิพี่ยุ่ง ถ้าไม่ยุ่งก็คงไม่ลําบากลําบนอยู่ด้วยอย่างนี้หรอกเห็นไหมรอบด้านมืดมิดยังกะเหวนรกออกไปยืนลูกจะลูกจ๋าอยู่ได้ยังไง ร, รับรองว่าไม่ต้องสั่งอะไรมันมากหรอกมันรู้ดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต่อไปนี้มันจะต้องอยู่ใกล้ๆพวกเราให้มันติดเธอแต่เธออย่าไปติดมันเข้าไม่เช่นั้นจะคุมไม่ได้พากันเตลิดเปิดเปิงใหญ่เมื่อเข้ามาถึงระหว่างที่น้องสาวยังบ่นอะไรอุบอิบอยู่ อดีตพรานชดก็กดไหลให้ลงไปนั่งอยู่กลางวงเช็ดถาเงยหน้าขึ้นจากหม้อต้มกาแฟส่งถ้วยไปให้น้องสาวแต่ดารินสันศีษะพี่ชายกลางจึงเอื้อมมารับแทนอะไรกันอีกละ่ะสองคนนี่ง่องแง่งอะไรกันมาชายันผู้กำลังเขี่ยายาเส้นในกล้องถามขึ้นอนุชาสุดตัวลงนั่งบนก้อนหินใกล้ๆยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบแล้วหัวเราะหึ่หึโน่น ไปยืนเรียกลูกลูกๆูกอยู่ริมแอ่งน้ําโน่นดีที่ไอ้ด้วนมันไม่พ่นน้ําใส่ให้ทําไมไปตามลากตัวมาดีไม่ดีอาจลงไปขัดขี้ใครให้ช้างอีกไม่นานน้อยคงอุ้มช้างอาบน้ําขัดสีฉวีวันให้มันบ้าน้องสาวร้องออกมาเบาๆหน้าบึ้งและหัวร้อออกมานิดหนึ่งสวมถุงมือหนังช้าๆล้วงบุหรี่ออกมาจากอกเสื้อแจ็คเก็ตพี่ชายใหญ่ส่งกระติกบรันดีให้ หล่อนสัส่นศิสะอีกไม่ค่ะขอบคุณแล้วสบัดไลเตอร์จุดบุรีถามรวมๆไปยังทุกคนว่ามีใครรู้สึกตะคร้นตะครอไม่ค่อยสบายบ้างไหมบอกเสียเลยนะจะได้แจกยาบรรยากาศในดงนี่ไม่ค่อยจะดีเลยอับชื้นและทึบมากเผลอๆอาจเป็นไข้เอาง่ายๆมงกุฎพรยเล่มหนึ่งตอนที่18 5. พรายแสนรู้ผู้จงรักภักดี และร่วมผจญทุกสุขกับดารินมาเป็นเวลาระยะยพี่ชายใหญ่บอกดารินไม่ยอมรอช้าเลยหันกลับไปทางหีบเวชพันป่างก็บอกให้ชายยันช่วยเรียกขยินเข้ามาเจ้ากระเลียงลมช้างกําลังผูกผ้าเขามา้าทําเพลอยู่แต่ท่าทางจะไม่สําเร็จเพราะตัวมันโตเกินขนาดผ้าซึ่งทุกคนสังเกตดูอยู่แล้วอย่างขันขันว่ามันจะมีปัญญาทํำยังไงพอชายยันตะโกนเรียกมันก็พระ เดินตรงเข้ามาหาดารินหันกลับมาสอบถามอาการแล้วส่งยาไปให้ชุดหนึ่งกินเสียแล้วไม่ต้องพยายามทำเปลนอนให้เสียเวลาหรอกเดี๋ยวย้ายมานอนใกล้ๆพวกชั้นตรงนี้แหละตัวเธอออกเบ้อเร่เบ่าผ้าจะผูกเปลก็เล็กนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้ขาดพลัดตกลงมาหรอกหลอนสัง ขยินยิ้มแห้งๆเดินกลับไปแกะผ้าเขามา้าที่ผูกยึดไว้ออกตามคําสั่งโดยดีแล้วหอบย่ามสัมภาระส่วนตัวเดินเข้ามาอาศัยแอบหาที่บนแท่นหินใหญ่ที่ตัวมันเองกับพวกลูกหาบช่วยกันกวาดไว้ยึดเป็นที่ปักหลักอยู่มุมหนึ่งอย่างสงบสงเงียมยังนั่งจ้องอยู่เพราะเจ้านายยังไม่มีใครเข้าที่ประจานอนกันสักคนเชิฐาจึงพยักหน้าบอกมา เองเป็นคนเจ็บขยินเพราะฉะนั้นนอนพักเสเถอะคืนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเวียามอะไรทั้งนั้นหลับให้ตลอดไปเลยขยินก็ว่าง่ายดีเหมือนกันฉวยโอกาสนอนคู้ตัวลงทันทีการเดินทางสําหรับวันนี้มันเป็นคนโชคร้ายกว่าเพื่อนเพราะเป็นคนเดียวที่ถูกลิงบาดเจ็บกัดเอาจมเขี้ยวนั้นอินยนกระสอบป่านไปให้อีกผืนหนึ่งให้คลุมอกลูกหาบคนอื่นๆส่วนมากยังไม่นอน ก็ยังนั่งพักผ่อนกันอยู่ริมกองไฟที่ก่อไว้ในตำแหน่งต่างๆแต่ไม่ห่างกันออกไปมากนะักพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงกันต่อไปพรานใหญ่ชดชา ย, ยันถามขึ้นก็อย่างที่กำหนดกันไว้แล้วอนุชาพูดง่ายๆใช้ผ้าขนหนูลูบเช็ดไรเฟิลประจมือจากฝุ่นละอองและคราบสกปรกที่จับอยู่ ทดลองให้เจ้าด้วนนำทางไปเรื่อยๆทางด้านเราก็มีหน้าที่เฉพาะคอยตรวจสอบทิศทางว่ามันจะพาตเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกลู่นอกทางที่เรากะกันไว้ก่อนหรือไม่เพียงไรแต่ถ้ามันพาบุกเข้าไปดงดิบอับชื้นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ยอมโผล่ออกนอกภูมิประเทศที่เดินได้สะดวกบ้างเสียเลยเราจะพากันแยกทั้งหมดนะมันเป็นช้างเราเป็นคนสภาวะความอดทนมันต่างกันมาก แช่ถาให้ความเห็นสมัยที่ผมเดินทางมากับลุงอินเพียงสองคนบางขณะเรามุดอยู่ในดงดิบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันตั้งร่วมเจ็ดวันเพราะต้องการจะตัดทางให้มันใกล้ที่สุดครั้งนั้นอุปกรณ์อะไรก็ไม่พร้อมสักอย่างโชคเข้าข้างแก่ที่รอเส้นทางนี้มาได้แล้วก็เข้าไปติดคุกอยู่ในมรกตโน่นความจริงควรจะตายเสียระหว่างทางแล้ว ไม่มีหลักการหรือหลักเกณฑ์อะไรสักอย่างในการเดินทางของแกกับลุงอินคราวนั้นมีแต่ความบ้าระหำอย่างเดียวแล้วก็ดันมาจับคู่กันได้อย่างดิบดีระหว่างคนหนุ่มกับคนแก่ชายยันว่าเอาตรงๆงมันไม่มีทางเลือกสำหรับฉันและลุงอินยุคนั้นแต่เอาเถอะในการรับผิดชอบนำทางในครั้งนี้จะพยายามสาะสแสวงหาลู่ทางที่ดีที่สุด เข้าใจว่าเจ้าด้วนคงจะไม่นำเราบุกอยู่ในดงดิบอันอับทึบแบบนี้นานเกินไปหรอกถ้ามันแสนรู้และฉลาดอย่างที่น้อยรับใช่ไหมคุณแม่ช้างประโยคหลังพี่ชายกลางหันไปถามน้องสาวอย่างสับพยอกดารินกำลังนั่งมองดูเปลโยไฟในกองคิดอะไรอยู่คนเดียวฝืนยิ้มให้นิดหนึ่งตอบแผ่วเบาว่าด้วนแสนรู้และฉลาดกว่าพี่กลางมากนะคะ่ะ ในป่าที่เรากำลังเดินอยู่นี่รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกของน้อยได้ดีกว่าพี่กลางด้วยช ย, ยันหัวเราอกราฟออกมาเมื่อได้ยินน้องสาวตอบพี่ชายอย่างสาสมกับการที่ถูกกระเซาเยาอแย่ในเชิงเน็บแช่ฐานั้นเพียงแต่ยิ้มแต่อนุชาจุ ป, ปากเบาๆบนพืมให้ตายเถอะนี่เดินกันเข้ามาลึกซะจนหันหลังกลับไม่ได้แล้วไม่งั้นฉันกลับดีกว่า ปล่อยแม่ธมยันตียุคใหม่คนนี้เดินตามหาพระนนท์ไปตามลำพังเสให้เข็ดก็คงจะตามกันทันหรอกโ น, น่นในปรโลกโน่นถึงปอระโล ก, น, น, โลกน้อยก็จะตามไปค่ะมันหลายชาติหลายภพมาแล้วที่เราต้องมีกรรมติดตามแสวงหากันอยู่เช่นนี้โดยไม่รู้ว่าชาติไหนจะตามกันได้ทันเสที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 ไม่ได้เอ่ยอะไรโดยเข้ามาร่วมอยู่ในวงหารือนั่นอีกเลยนอกจากมองดูกองไฟในอาการเมื่อผวังอยู่เช่นนั้นฉันแพรดนี้เธอมาหลายสิบชาติแล้วอัคคีรุตหล่นรำพึงอยู่ในใจฉันไม่เคยให้อภัยแกเธอเลยจากกรรมเวรในครั้งกระโ น, น้นแต่มาบัดนี้ณชาตินี้ฉันอภัยให้เธอหมดสิ้นแล้วและเป็นฝ่ายติดตามเธอ ฉะนั้นขอให้เราได้พบกันในชาตินี้เถอะนะสุดที่รักของจิตตรางคณางรพินขณะนี้เธออยู่ที่ไหนเธอจะล่วงรู้บ้างหรือไม่ว่าในอดีตชาติไกลแสนไกลนั้นเราต่างฝ่ายต่างมีความเป็นมาและเป็นไปเช่นไรตื่นจากพวัง ด้วยอาการสะดุ้งน้อยๆเมื่อฝ่ามือห น, หนักของพี่ชายใหญ่ผู้นั่งอยู่ข้างๆตกมาที่ไหล่พร้อมกับเสียงทุ้มปราณีทักมาว่าน้อยเป็นอะไรไปหรือเปล่านั่งซึมไม่พูดอะไรเลยสักคำหลอนสะบัดหน้าไล่ความมึนงงแล้วหันไปยิ้มจื่ๆให้กับทุกคนเปล่าคะ่ะน้อยไม่ได้เป็นไรตกลงทุกคนมีความเห็นในข้อสรุปได้แล้วใช่ไหมคะเรายังไม่ได้สรุปอะไรกันสักอย่าง พี่ชายกลางบอกมาต่ำๆจ้องหน้าเห็นนั่งตาค้างมองกองไฟแบบหลับในเอาละนอนกันเถิดพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ทั้งหมดเข้าประจําที่นอนภายหลังที่พวกลูกหาบช่วยกันสมกองไฟทั้งสามกองจนลูกโชดเสียงกระดิงที่ผูกคอเจ้าด้วนไว้นานๆจะแว่วโกรกแกรกขึ้นในความเงียบสักครั้งสแสดงว่ามันไม่ได้ไปไหนคงป้วนเปี้ยนอยู่ละแวกใกล้ที่พักนั่นเอง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 ในที่สุดก็ต้องอาศัยยาระงับประสาทเพื่อยุติดวงจิตอันฟุ้งซ่านกระวนกระวายในห้วงฝันอันวกวนเป็นฝันอันหลอกหลอนทรมานความรู้สึกของหล่อนอยู่เช่นเดิมกลางทุ่งหญ้าอันแวดล้อมไปด้วยขุนเขาตรางานเป็นเทวจรดขอบฟ้ารอบด้านหล่อนกระเซ้อกระเซิงอยู่ตามลำพังคนเดียวในสภาพหลงป่า และในทันใดก็ได้เหลือไปเห็นร่างของสุภาพบุรุษไพรผู้นั้นเดินหันหลังให้แกลอนลักษณะของเขาเดินดุ่มๆไปเบื้องหน้าโดยไม่ยินยนต่อเสียงร้องตะโกนเรียกของหลอนหลอนได้ตะโกนเรียกอยู่สุดเสียงแล้วก็ออกแล่นตามหลังไปหลอนวิ่งและวิ่งแต่ร่างนั้นก็ไม่ได้สำเนียกใดๆทั้งสิ้นคงเดินในสภาพปกติไปอย่างไม่ยอมหยุด ไม่ว่าจะออกแรงวิ่งตามหลังไปจนสุดกำลังสักเท่าไรหล่อนก็ไม่สามารถจะกวดตามเขาทันทั้งๆที่เห็นกันอยู่ในระยะสายตาเท่านั้นจนกระทั่งตนเองหมดสิ้นเรี่ยวแรงและล้มฟุบลงมันเป็นความฝันที่ซ้ำรากซ้ำอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปหรือมิฉะนั้นก็เป็นภาพที่หล่อนไปพบเขาในลักษณะที่นอนตะแคงคูกายสันเทาด้วยพิษไข้จับสันไม่ได้สติ ร่างกายซีดหมองดวงตาปิดสนิทหล่อนได้ทลาเข้าไปกอดไว้แนบกายสั่นเขยา่าแล้วเรียกนามเข้าอยู่ละล่ำละลักข้างหูแต่รพินไพรวันก็ยังคงสั่นเทิม้วยพิษไข่ยอยู่เช่นนั้นไม่อาจที่จะรู้สึกกายหรือแม้แต่จะลืมตาขึ้นมามองเห็นหล่อนได้เชษฐาอนุชาและชัยยันตื่นขึ้นพร้อมกันกลางดึกเพราะอาการดิ้นและร้องละเมอเรียกนามรพินของดาริน ทั้งสามพูดพลาดลุกขึ้นอย่างชุลมุนจับตัวน้องสาวคนเล็กไว้พร้อมเขย่าเรียกแล้วอดีตท่านทูทหารพี่ชายใหญ่ก็อุทานออกมาว่าตัวร้อนอยากก่างกระไฟไข่เล่นงานน้อยเข้าแล้วดึกของคืนนี้หล่อนจับไข้จริงๆหนาวจับจิตกายสันรัวจำไม่ได้ว่าใครต่อใครที่ตื่นขึ้นมาตรวจสอบรุมล้อมอยู่รอบตัวหล่อนขณะนี้ได้ดาเนินการลงไปอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตัวหล่อน มันเป็นภาพพราดที่ปะปนไปกับความฝันที่แสนจะโหดร้ายนั้นพี่ชายทั้งสองและเพื่อนช่วยกันรักษาพยาบาลหลอนอย่างเต็มที่คนละไม้คนละมือเท่าที่ความรู้ในด้านปฐมพยาบาลที่คนเหล่านั้นจะมีอยู่รู้สึกเหมือนกับว่าเชษฐาพยายามจะเรียกหลอนเพื่อให้รู้สึกตัวและปรึกษาหารือกับพักพวกในเรื่องยาแต่หลอนไม่ได้ตอบไม่ยอมแม้แต่จะลืมตาขึ้นมา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 ไหกายอยู่ไปมาอย่างกระสับกระส่ายร้อนรุ่มภายในแต่หนาวสั่นอยู่ด้านนอกสำเนียงเสียงที่พูดกันอย่างร้อนรนอยู่รอบกายเหมือนจะแว่วมาจากไกลแสนไกลจับสับไม่ได้ต่อมาในความมืดที่มีเปลือกตาเป็นม่านกำบังอยู่นั้นหลอนก็เห็นเป็นแสงสีน้ำเงินนุ่มค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อย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 ฉันกำลังจะละทิ้งร่างกายในชาตินี้ไปอีกฉันตามเขาไม่ทันอย่าเพิ่งท้อแท้สิ้นหวังด้วยศัจจาธิฐานที่นายหญิงตั้งไว้ด้วยกรำรที่นายหญิงชดใช้มาถึงที่สิ้นสุดนายหญิงจะต้องตามเขาจนพบในชาติพบนี้แหละณนะที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นตําแหน่งที่ทิวาพบราตรีการขณะนี้นายหญิงกำลังป่วยมากและนายใหญ่ กับบรรดาพี่ๆที่แสนจะรักห่วงใยต่อนายหญิงกำลังจะฉีดยาให้โปรดจะได้ดิ้นหรือขยับเขยื่อนใดๆก่อนทั้งสิ้นแล้วภาวะทางกายของนายหญิงจะดีขึ้นอย่าปล่อยให้ความทุกข์ระทมโท ม, มนัสเข้ามาทำลายตนเองสติสัมปชัญญะและความมานะบากบัน่นจากพื้นฐานของจิตใจและร่างกายอันแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะเป็นพาหนะนานายหญิงไปสู่ความปรารถนาที่ตั้งไว้ได้ ราชสกุลสาวแววสำเนียงเสียงทุ้มไผ่รอนนั้นอย่างถนัดชัดเจนที่สุดหลอนสงบนิ่งยุติการดิ้นรนรู้สึกว่าแขนทั้งสองข้างถูกกดให้นิ่งอยู่กับพื้นแล้วมีอาการเหมือนถูกมดกัดที่ท้องแขนข้างหนึ่งความร้อนวาววูบวาบเริ่มแผ่ซ่านไปทุกเซลล์ในร่างกายขับไล่ความหนาวเหน็บเยือกเย็นออกไปทีละน้อย ดวงตาใหญ่คมงามของแง่ทรายยังคงจับนิ่งเหมือนจะสะกดมาเช่นนั้นหลายมือที่ช่วยกันยึดร่างกายภายนอกของหล่อนบัดนี้คลายออกความหนาของผ้าหม่มทับลงมาบนร่างหลายชั้นศีรษะถูกประคองให้วางราบลงกับผ้าหนานุ่มแล้วความอบอุ่นจากไอไฟก็โฉยเข้ามากระทบผิวกายสัมผัสภายนอกเหล่านี้มันเลือนลางแต่สัมผัสจากดวงจิตเป็นแผ่นภาพ ที่ใสและชัดเจนหลือประมาณแงซทรายเธออย่าผละทิ้งฉันไปไหนนะสำหรับคืนนี้ฉันว้าเว่เปล่าเปลี่ยวเหลือประมาณแล้วเหมือนหมดที่พึ่งที่หวังถูกทอดทิ้งอยู่เดียวดายในโลกรา้างแงซทรายจะไม่ทอดทิ้งนายหญิงไปไหนจะวนเวียนคอยพิทักษ์รับใช้นายหญิงทุกขณะจิตจะเป็นกำลังใจให้แก่นายหญิงแต่นายหญิงต้องไม่ท้อถอยเสียก่อนจงหลับเสถิด นายหญิงของแง่ทรายหลับอย่างสนิทจะได้หายป่วยไข้และพรุ่งนี้สติปัญญากำลังกายใจจะได้กลับคืนมาเหมือนเดิมเพื่อผเผชิญหน้ากับภาระหนักแห่งวันต่อไปมันฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาแง่ทรายแม้แต่ในความฝันฉันก็ไม่อาจจะวิ่งตามเขาได้ทันเลยสักครั้งจะเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ยินไม่หันกลับมามองเลยฉันไม่อยากจะฝันเห็นภาพอย่างนี้ มันทรมานจิตใจเหลือเกินหลอนรำพันอนุสติของนายหญิงคอยที่จะกดดันบีบังคับนายหญิงโดยไม่รู้ตัวทำให้นายหญิงต้องฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับผู้กองจงคิดถึงเขาในแง่ดีคิดในสิ่งที่เป็นมงคลสาหรับชีวิตตนเองคิดถึงความสุขสมหวังแล้วนายหญิงจะฝันดีเองผู้กองรพินยังคงรักและซื่อสัตย์ต่อนายหญิงอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าได้ ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติและแม้ขณะ น, นี้เขาก็ระทมตรมทุกอยู่ในความรักที่พลัดพรากมิได้น้อยไปกว่านายหญิงเลยจริงหรือแงซ า, ายจิตใจเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากฉันแน่นะดารินค่อยแช่มชื่นขึ้นดุดได้กระแสน้ำทิพย์โลมรูปหัวใจอันระบมแงซ า, ายก้มศรีรษะลง เป็นความจริงในชีวิตของคนคนหนึ่งที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนในโลกนี้เท่าๆกับเป็นสิ่งที่เท พ, พเจ้าได้กำหนดลิขิตไว้เช่นนี้ไม่เสียแรงรอกที่นายหญิงสู้อุตสาห์สละชีวิตออกติดตามเข้ามาในครั้งนี้อดทนรออีกสักนิดขอให้กรรมเก่าที่เคยมีต่อกันสิ้นสุดเด็ดขาดลงเสียก่อนเท่านั้นนายหญิงและเขาก็จะได้พบกันอีกนานสักเท่าไหร่ คงไม่นานเกินกว่าที่ความอดทนมาณพยายามของนายหญิงจะสิ้นสุดลงนายหญิงผ่านอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่สุดมาได้แล้วแงซ า, ายผู้เฝ้าจับดูการเคลื่อนไหวของนายหญิงมาตลอดเวลานับแต่การเริ่มต้นออกติดตามในครั้งนี้รู้สึกเบาใจขึ้นแล้วเมื่อนายหญิงสามารถกําจัดมารร้ายที่ติดตามรังควานสกัดกั้นมาทุกชาติลงได้สาเร็จด้วยน้ามือตนเอง และไม่มีมือของผู้ใดทำลายล้างมันตรายลงได้นอกจากโดยน้ำมือของนายหญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นและขอได้โปรดรับรู้ด้วยเถิดว่าการที่วิญญาณร้ายของปุโรหิตมันตรายได้ถูกทำลายลงอย่างเฉียบขาดราบคาบในครั้งนี้เป็นผลสะท้อนช่วยให้ผู้กองรพินหรืออคเีรุษพลอยพ้นวีบัิภัยไปด้วยแล้วขณะนี้เล่าเขาอยู่ที่ไหน ไม่ใกล้ไม่ไกลเพียงแต่ม่านกมบังตายังไม่ถูกคลี่คลายเพื่อเปิดทางให้เท่านั้นเงาทรายบอกได้เพียงแค่นี้เชื่อน้องชายผู้เคยเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์คนนี้สักนิดได้ไหมครับนายหญิงเธอจะให้ฉันทำอะไรตั้งพุโทโธนุสติข่มจิตให้สงบลงเสียหลับโดยไม่ต้องประวัติคิดถึงสิ่งใดอีกตลอดราตรีนี้ จิตวิญญาณของแง่ท า, ายจะไม่ห่างไกลไปไหนจะอยู่เฝ้าคุ้มรักษาพิทักษ์ของภัยให้จะไม่มีฝันร้ายใดๆเข้ามากล้ำกลายอีกแล้วตกลงเธอคอยควบคุมดวงจิตฉันไว้ด้วยนะถ้าเธอทําได้อย่าให้มันล่องลอยตะเลิดหลงไปไหนครับนายหญิงแง่ท า, ายจะขอบารมีของโกนธัญะมหามุนีเข้ามาคุมดวงจิตนายหญิงไว้ และแม้ว่าจะฝันก็ขอให้เป็นฝันดีตลอดทั้งราตรีอันยังมีอยู่อีกยาวนานนี้รับพินไพรวันรู้สึกตัวตั้งแต่ปลายผ้าแบรนงเค็ตขนาดกว้างใหญ่ที่แบ่งเฉลีย่ยมาคลุมมินมินอยู่บนร่างกายของเขามีอาการเคลื่อนเหมือนถูกดึงแต่เขายังคงนอนสงบนิ่งเหมือนหลับสนิทอยู่เช่นนั้นต่อมาก็รู้สึกว่าคริสติน่าค่อยๆดึงกายขึ้นนั่งแล้วเอื้อมมือมาเขย่าไหล่เขาเบ า, เบา แทนการขานตอบใดๆทั้งสิ้นพรานใหญ่จับหลังมือสวมถุงหนังของหล่อนที่เคยยาวไหลเขาเป็นความหมายว่าเขารู้สึกตัวเมื่อนั้นหล่อนจึงเอ็นตัวลงมากระซิบเบาที่สุดข้างหูระพินคุณคุณรู้สึกตัวแล้วหรือยังมีอะไรฉันว่าฉันไม่ได้หูฝาดหรือฝันไปแน่ๆฟังเสียงนั่นฟังสิคุณได้ยินไหมเวลาเท่าไหร่แล้วคริส 310หลังเที่ยงคืนเอาละก่อนอื่นตรวจดูน้ำเกลือของเบลมันน่าจะหมดแล้วถ้าเห็นว่าจำเป็นให้ต่อไปอีกถุงหนึ่งถ้าพอแล้วก็ถอดเข็มออกแต่ฉันเธอเร่าร้อนขเขย่าเข้าแรงขึ้นทำตามที่ผมสั่งก่อนนั่นเป็นคำสั่งหรือข้อแนะนำที่ค่อนข้างเฉียบขาดคริสขยับตัวลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่แผ่วเบ า, บาใช้ไฟฉายประจาตัวส่องดูถุงน้าเกลือที่แขวนอยู่กับเสากิ่งไม้ รพินนอนอยู่ในอาการเดิมแต่รีตาจับดูอยู่เห็นหลอนจัดการถอดเข็มที่ปักอยู่บนหลังฝ่ามือของอิซาเบลแล้วเอาปลาสเตอร์ผิดไว้ตรงรอยที่เข็มปักจากนั้นก็ดึงสายน้ำเกลือกับถุงออกจากแง่ไม้ม้วนพันลูกลวกโยนไปทางหนึ่งหันไปจับตัวเบลลูบลูบคลำคลำอยู่อึดใจแล้วหันกลับมาทางเข้าอีกเบลหลับสนิทอาการดีขึ้นมากแล้ว ฉันคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องให้น้ำเกลือต่อไปอีกดีแล้วตัวคุณเองก็ควรจะหลับต่อพยายามพักให้มากที่สุดนี่คุณไม่สนใจที่ฉันบอกตะกี้นี้เลยหรือคุณได้ยินอะไรเสียงอาการของหลอนอึกอักในความมืดสลัวของสถานที่เห็นแต่ดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยแววชะงนระคนตื่นเต้นร้อนรนมงกุดไพรเล่มสองตอนที่191ด หุบปากพูดในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเซตีได้ไหมฉันคิดว่าที่ระเพินชวนเราขึ้นมาที่นี่คืนนี้เขาน่าจะมีอะไรให้หลอนพยายามมองไปรอบๆ บ, บริเวณแคมป์พักอันบัดนี้เงียบสงบกองไฟที่ก่อไว้ส้มลงเหลือแต่เท่าแดงๆ แ, แสดงว่าใครก็ตามที่อยู่ยามตามไฟคงจะเผลอม้อยหลับไปไม่ได้ใส่ฟืนเพิ่มไว้ แล้วก็มีเสียงคล้ายๆฝีเท้าคนเดินย่ำขึ้นมาบนเนินที่พักนอนแห่งนี้รอบด้านรอบตัวเต็มไปหมดจอมพรานค่อยๆใช้นิ้วเสยปีกหมวกที่ครอบปิดหน้าขึ้นช้าๆเผยให้หล่อนเห็นสีหน้าและแววตาอันอยู่ในสภาพปกติของเขาเอา้าฟังต่อไปยังได้ยินอยู่อีกหรือเปล่าเสียงต่างๆที่คุณบอกว่าคุณได้ยินนั่นอนะ แม่นักเคมีฟิสิกสาวกัดริมฝีปากแน่นพยายามเงี่ยวหูฟังอยู่อึดใจแปลกตอนนี้มันเงียบไปแล้วผมบอกคุณแล้วว่าคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงหรืออาจตาฝาดเห็นอะไรแปลกๆปลกก็ให้สงบเฉยเสียรับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรล่วงล้ำเข้ามาในบริเวณที่พักของเราได้ยังเด็ดขาดทาตามที่ผมบอกดีที่สุดคือนอนคริสยังคงนั่งเอามือยันพื้นอยู่เช่นนั้นดวงตาลอกแรก มันเต็มไปด้วยแววชะ ง, งนคลางแคลงมองไปรอบๆตัวอันประกอบไปด้วยเงาของหน่อหินที่ขึ้นเรียงรายอยู่แล้วกลับมามองหน้าเขาสลับกันไปมาอยู่เช่นนั้นตามปกติคุณเป็นคนนอนไวที่สุดขนาดแตะเบาๆคุณก็รู้สึกแล้วตะกี้จนทำให้ฉันรู้สึกว่าตลอดเวลาคุณไม่ได้หลับด้วยซ้ำคุณบอกฉันมาสักคาสิว่าคุณไม่ได้ยินเสียงแปลกๆที่ฉันบอกนี่เลยหรือ ฉันกำลังนอนหลับแต่ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงพิลึกชนิดนี้คุณอาจฝันเลอะเทอะไปเองแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นโดยแยกไม่ถูกว่าเสียงที่อ้างว่าได้ยินนั้นมนอยู่ในความฝันที่เพิ่งตื่นขึ้นมาหรือว่าหูได้ยินไปจริงๆแต่ก็ดีแล้วที่คุณตื่นขึ้นมาตรงเวลากับที่น้ำเกลือของเบ ล, ลหมดพอดีโดยผมไม่ต้องปลุกคริสเอามือขยี้ใบหน้าแล้วถอนใจเฮือกฉัสงสัยเสียจริง นี่ตลอดเวลาคุณได้หลับไปบ้างหรือเปล่านะผมหลับง่ายตื่นเร็วประสาทมันถูกฝึกมาจนเคยชินแล้วถ้าร่างกายไม่เจ็บป่วยแล้วคุณไม่ได้ยินอะไรเลยหรือประสาทคุณหลอนจากการเหน็ดเหนื่อยตรากตราคุณจะกินยานอนหลับก็ได้นะจะได้หลับสนิทรวดเดียวไปตื่นตอนตะวันขึ้นเลยไม่ต้องมาคอยสะดุ้งผวาหลับห ล, บหลบัตื่นตื่นมัวระแวงอะไรอยู่แบบนี้ดูคุณใจเย็นเหลือเกินนะสาหรับคืนนี้ใช่ เป็นคืนที่พวกเราทุกคนควรจะได้นอนหลับกันให้สบายที่สุดโดยไม่ต้องไปมัวกังวลว่าจะต้องเพ่นพรวดพลาดกันขึ้นมากลางดึกเหมือนอย่างที่แล้วแล้วมาคุณเป็นนักสังเกตยอยู่แล้วดูอาการของผมแล้วคุณจะรู้เองว่ามันจะไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้มิฉะนั้นผมจะต้องลุกขึ้นแล้วแต่นี่เห็นไมผมยังคงนอนอยู่ตามปกติไม่เชื่อผมแล้วคุณจะไปเชื่อใคร แต่คุณไม่เชื่อฉันบ้างเลยหรือว่าฉันได้ยินลมดึกๆกพัดผ่านโพรงหินและแก่งโคดหรือต้นไม้บางทีมันก็ทำให้เกิดเสียงแปลกๆปกได้เหมือนกันและดึกคืนนี้ลมมันก็ค่อนข้างจะแรงเสียด้วยเขากระซิบด้วยน้ำเสียงเรื่อยๆปราศจากอาการตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นตบไหล่หลนเบาๆและดึงให้เอ็นกายลงนอนตามเดิมคริสยังลืมตาสว่างโพรงอยู่เช่นนั้น รับินยิ้มให้อย่างปราณีเอื้อมมือมาแตะที่เปลือกตาสีฟ้างามกดเบาๆเป็นการบังคับให้ปิดตาลงเสียอีกพักใหญ่หล่อนจึงสงบนิ่งไปได้ลมหายใจสม่ำเสมอระทวยพรานใหญ่ค่อยๆขยบตัวพระห่างออกมาโดยไม่ให้เกิดเสียงแม้แต่น้อยพอพ้นระยะก็ดึงกายลุกขึ้นแผ่วเบา คว้าไราเฟิลกับไฟฉายออกเดินตรวจอย่างระมัดระวังไปยังบริเวณกองไฟที่หมดเปลวลุกเหลือแต่ฐานผสมขี้เถ้าซึ่งจะแดงโร่ขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อมีกระแสลมเย็นเฉียบพัดผ่านเข้ามาเขาใช้ไฟฉายส่องตรวจไปยังบรรดาพวกลูกหาบทั้งหลายเห็นหลับคุดคู้เอากระสอบคลุมตัวอยู่เป็นกลุ่มๆนับจำนวนดูเผื่อให้แน่ใจอีกครั้งว่าจะไม่มีใครขาดหายไป เกิดเสยและจันนอนรวมกลุ่มกันอยู่ริมกองไฟมอดดับด้านที่จะออกไปทางปากทางซอกหินซึ่งเป็นทางผ่านเข้าออกที่สะดวกที่สุดแต่ไม่มีบุญคำรวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วยสายตาคมกริบของจอมพรานกวาดค้นหาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นเงาตะคุ่มผอมเกรงของแกยืนอยู่ในซอกหินบริเวณซ้ายมือซึ่งต่าจากตาแหน่งนั้นลงไปพวกลูกหาบได้แล่เอาหนังศรีรษะ และเครื่องในของเลียงผาที่ยิงได้เมื่อเย็นทิ้งไว้เป็นการยืนอยู่ตามลำพังคนเดียวในเงามืดเกือบจะนอกเขตปริมณฑลที่ขีดเส้นกำหนดไว้รพินเคลื่อนเข้าไปหยุดอยู่ข้างหลังเวรยามของเราหรือบุญคำเกาถามขึ้นดังไม่เกินกระซิบใช่นายบุญคำเพิ่งรับเวรต่อจากไอจันสักครึ่งชั่วโมงมานี่ได้มั้งแกตอบเบาๆโดยไม่ได้หันหน้ากลับมาดู แสดงว่ารู้ถึงการเคลื่อนไหวเข้ามาของเขาแล้วตายังฝ่าความมืดลงไปเบื้องล่างทำไมถึงปล่อยให้ไฟมอดหมดทั้งสามกองสุมไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกสักกระเดียวฝนก็จะเทลงมาแล้วเราไม่อดน้ำแล้วนายพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปจะเกลียตะกายหาน้ำที่ไหนเดี๋ยวขึงผ้าใบารองไว้สำคัญว่าถ้ามันซัดหนักและมีพายุหรือมีลูกเห็บตกลงมาด้วยมันคงยุ่ง พรานใหญ่แงงหน้ามองดูท้องฟ้าอันมืดสนิทไม่เห็นแม้แต่ดาวสักดวงไอความเย็นชื้นกันโชคผ่านผิวหน้าของเขามาเป็นระรอกริ้วเขาเพิ่งจะสัมผัสได้นี่เองแต่บุญคำคงจะจับรหัสนี้ได้ก่อนแล้วเพราะแกมายืนอยู่กลางที่โล่งนานพอสมควรทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ใช่หรือแต่พรานเท่ามือขวาของเขาแยกเขี้ยวยิ้มเห็นฟันหน้าหรอ มันแหกกันมาคลืดเต็มทุ่งเลยนายแต่วนเวียนอยู่ตีนเนินนี่เท่านั้นไม่กล้าเข้ามาใกล้บริเวณที่นายลงไว้รอกแล้วก็ไปรุมตอมหึงที่สร้างเครื่องนเลียงผาตรงตีนเนินนั่นพระพินเอาหลังมือเช็ดปลายคางสากไปด้วยคราวอีกมือหนึ่งของเขาถือไฟฉายก็จริงแต่ไม่มีความจาเป็นอะไรที่จะต้องฉายไฟลงไปให้เสียเวลาแล้วนี่มายืนดูอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ได้ยืนดูอยู่ตรงนี้หรอกก็ดูไปรอบๆปางทุกด้านนั่นแหละบุญคำเห็นตั้งแต่นายกับแหม่มคริสลุกขึ้นมาแล้วพวกนายฝรัง่งหลับกันดีอยู่หรือนายอืมก็เรียบร้อยดีมีแหม่มคริสคนเดียวที่ได้ยินเสียงแล้วปลุกฉันขึ้นมาแต่ตอนนี้คงหลับไปแล้วพวกมันเริ่มแสดงวิวเวลตั้งแต่เมื่อไหรน่นี่ฉันเองก็หลับสนิทไปหลายชั่วโมงพวกเราคนอื่นๆจับพิรุธหรือกระแค่ระขายอะไรบ้างไหมก่อนที่บุญคำจะลุกขึ้นมาผลัดยาม แกสั่นหัวช้าๆไม่มีใครรู้ตัวหรือจับเข้าเงื่อนอะไรได้เลยนายแม้แต่ไอจันที่เป็นเวรสุดท้ายก่อนที่บุญคําจะลุกขึ้นมาแทนมันปกติตั้งแต่หัวค่ำมาตลอดเพิ่งจะยกขยโงกันออกมาตอนที่บุญคําเข้าเวรนี่แหละเสียงมันหัวร่อต่อกระซิกบางทีก็คุยอะไรกันงืมงำแซดไปหมดลมดึกพัดผ่านทุ่งและป่าหินย่อมๆดังอยู่วีดวือ ในสำเนียงเสียงลมพัดนั้นเมื่ออยู่ในภาวะและบรรยากาศเช่นนี้ประสานหูของคนฟังอาจฟังเป็นสัพ์สำเนียงอย่างใดก็ได้ทั้งสิ้นแต่เขาก็รู้ว่าบุญคำมีโสสัมผัสส่วนพิเศษของแกเยาว่าแต่บุญคำเลยขนาดคริสผู้ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนยังจับสำเนียงได้ก็แสดงว่าบางขณะมันได้สัแดงออกมาอย่างชัดเจนทีเดียว โชคดีอยู่บ้างที่บรรดาลูกหาบทั้งหลายและนายจ้างส่วนใหญ่ของเขาพาการหลับสนิทเป็นตายหาไม่เช่นนั้นการระส่าระสายในอารมณ์และปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งเขาไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นเพราะรู้แน่ว่าถึงอย่างไรมันก็ไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นได้ภายในปริมณฑลที่กาหนดขีดเส้นเอาไว้ระหว่างที่เขายังยืนนิ่งเพ่งสายตาไปยังความมืดมิดเบื้องล่าง ซึ่งเมื่อจ้องพินิษไปนานๆก็จะมองเห็นลักษณะคล้ายๆหมอกควันสีขาวจางๆลอยว่อนอยู่ไปมายังบริเวณตีนเนินที่พักในรูปรักษณ์วิกลวิการแปลกๆออกไปตาคำก็ขมเม้นมองลงไปอยู่เหมือนกันแล้วแกก็บุยปากบอกเบาๆต่อมาว่านายเห็นอะไรดีๆอย่างบุญคำมั่งไหมเขาละความสนใจจากเงาหมอกปริศนาเหล่านั้น ควักบุหรี่ที่ดับทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาจุดสูบถามทั้งที่ปากยังคาบก้นบุหรี่อะไรที่ว่าดีๆน่ะอีตัวที่หน้าฉล่มที่บุญคำไปฉี่รถไว้นั่นไงมาฉม้อยฉไม้โบกมือเรียกบุญคำอยู่ย้อยๆตรงมุมหินข้างล่างโน่นผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งเห็นโล่งจ้งไปหมดหุ่นงี้แม่มคริสทาอะไรไม่ได้เลยแน่แนสายเอวโยกตะโพก ร่อนอกท้าอยู่น่ะบะแบบนี้ไอ้คาตะบะจะแตกอยู่แล้วเอาสิไม่ว่าอะไรหรอกถ้าอยากจะลงไปหาแม่สาวงามตนนั้นเห็นคุยไว้นักหนาเมื่อตอนเย็นตอนนี้หล่อนก็มาหาแล้วยังไงละ่ะระผินพยักหน้าบุญคำยิ้มแห้งๆบอกมาเสียงอ่อยนายลงไปเป็นเพื่อนบุญคาหน่อยสิอย่าบ้าให้มากนักเลยตะคาแล้วก็เลิกสนใจกับมันสิกทีมานี่ มาช่วยกันเอาฟืนใส่กองไฟไว้สักกองก็ยังดีฝนอาจตกแต่คงไม่เร็วนักหรอกอาจใกล้ๆสว่างตอนนี้ปางพักเรามืดและหนาวเย็นเหลือเกินพร้อมกล่าวเขาดึงไหลบุญคําให้เดินตามหลังมาและทั้งสองก็ช่วยกันเอากิ่งไม้ที่เก็บมากองตุนไว้ตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งยังเหลืออยู่อีกจํานวนเล็กน้อยโยนใส่เข้าไปในกองไฟด้านที่อยู่ใกล้ปลายเท้าของที่พักนอนของนายจ้างทั้งหลาย แต่คำาคง้งโค้งเป่าอยู่ครู่เดียวมันก็เกิดเป็นเปลวลุกติดขึ้นมาตามเดิมจากฐานที่ยังพอเหลืออยู่ทั้งคู่นั่งผิงไอไฟอยู่ริมกองเมื่อทั้งรพินและบุญคำลุกขึ้นมานั่งคุยกันและเกาะไฟให้เกิดเป็นเปลวขึ้นแล้วเช่นนี้สภาพอันคลุมเครือหน้าว่าระแวงไปด้วยเงาปริศนาทั้งหลายที่แวดล้อมสถานที่อยู่ก็พลอยสลายลงนายไปนอนเถอะบุญคาจะเฝ้าเอง จนถึงสว่างเลยเอาไว้ฝนตกค่อยตื่นขึ้นมาช่วยกันแกบอกอย่างหวังดีเมื่อเห็นเขานั่งก้มหน้าเอามือทั้งสองลูบเส้นผมอยู่เดี๋ยวขอนั่งผิงไฟสักเดียวหนาวเหลือเกินฮ่านายไม่ใช่เกิดเป็นไข้จับสันขึ้นมาตอนนี้นาะคงไม่หอกบุญคำไหนลองดูที่หมอ้อต้มกาแฟนั่นหน่อยสิพอมีเหลืออยู่บ้างไหมถ้าเหลือก็รินมาให้สักนิดเถอะ บุญคำจะโง่เข้าไปที่มอสนามที่พวกพานพื้นเมืองลูกน้องแก่ต้มเอาไว้วางอยู่บนก้อนหินริมกองไฟเขย่าดูแล้วเทลงถ้วยพลาสติกเก่าๆที่ทิ้งเกะกะอยู่ใบหนึ่งส่งไปให้เขาครึ่งถ้วยซึ่งมันก็มีอยู่แค่นั้นเองรบพินรับมาถือครึ่งอยู่ในฝ่ามือทั้งสองแล้วยกขึ้นจิบจากนั้นก็นั่งดูเปลวไฟอยู่เงียบๆไม่ได้โต้อตอบอะไรกับแกทั้งสิ้นไม่ว่าแกจะพูดอะไรมา อึดใจใหญ่แกก็เอื้อมมือมาสกิดที่เขาเ่าแรงๆพอหันไปศบตาก็บุ้ยปากไปทางบริเวณที่นอนของฝ่ายนายจ้างเขาจึงหันไปเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งที่นอนอยู่ริมสุดด้านขวาผุดลุกขึ้นมานั่งมีอาการเกาอยู่ขยุบขยิกที่บริเวณเป้ากางเกงและสะบดอะไรพึมพำอย่างหัวเสียเชิญวุธผู้หลับไปก่อนใครเพื่อนในคณะตั้งแต่หลังอาหารเย็นนั่นเองตอนนี้เขาถูกปลุกขึ้นมาด้วยอะไรสักอย่าง ที่เข้าไปทำความรำคาญให้อย่างกระทันหันเดี๋ยวเกาแขนเดี๋ยวเกาโคนขาและมีอาการเหมือนจะรูดซิปกางเกงออกแล้วในที่สุดก็ผุดลุกขึ้นยืนมือหนึ่งถือไฟฉายอีกมือหนึ่งยังคงกุมขยี้อยู่ที่เป้ากางเกงเช่นนั้นเดินเปะปะทำท่าเหมือนจะออกไปหาที่ปัสสาวะอย่างยังไม่รู้ทิศทางว่าจะมุ่งไปทางไหนดี และยังไม่ทันหันมาเห็นเขากับบุญคำที่นั่งจับตามองอยู่เงียบๆก่อนแล้วเมื่อนั้นเองรพินจึงลุกขึ้นแล้วก้าวสกัดหน้าก่อนที่นายทหารหนุ่มจะทันเดินเข้าไปในซอกโขดหินรับตาคุณวุฒิ้คร้องทักเบาๆขณะที่แตะยันไหลของทหารหนุ่มซึ่งเป๋เข้ามาเชิดวุฒิขยี้ตามองและอุทานอ้าวพี่จะไปไหนหรือครับ อีกฝ่ายยิ้มแห้งๆมือยังกลุ่มเป้ากางเกงในลักษณะเก่าขยี้อยู่นั้นปวดฉี่อุย้ยไปผมจะไปเป็นเพื่อนด้วยหลบมุมตรงหินนี่แหละครับไม่ต้องไปไหนไกลพร้อมพูดรับหินหลีกทางให้จับต้นแขนลูกชายท่านนายพลผู้มากับคณะด้วยในฐานะฝ่ายประสานงานดันเข้าไปในซอกหินบริเวณหนึ่งใกล้ๆรับมุมทิศทางใต้ลมของแคมป์ เชิดวุฒิรีบปลดซิปกางเกงปล่อยน้ำไปพรางก็บ่นอู้อี้ไปพรางไอ้มดเวนตะไลมันดันเข้าไปซอกแทรกัดผมก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้โหมันแข็งโป๊กยังกะหินแล้วก็น้ำเต็มกระเพาะฉี่เลยอุ้ยฉิบหายนี่กัดที่ไหนไม่กัดฝนกำลังจะตกครับพวกมดพวกมแมลงทั้งหลายมีการเคลื่อนไหวตัว ภูมิประเทศแถบนี้คงแล้งมาเป็นเวลานานแล้วและถ้าฝนเท ล, ลงมาก็คงจะเป็นการตกครั้งแรกในระยะว่างเว้นยาวนานอีกฝ่ายหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดําสนิทจริงด้วยพี่มองไม่เห็นดาวสักดวงนี่พี่ตื่นมาตั้งแต่เมื่อไหรน่นี่ก้อนศักครุ่ใหญ่ๆนี่เองครับเป็นไงเห็นวันนี้คุณเพลียมากไปกว่าทุกวันหลับไปตั้งแต่หัวค่ําเลยครับพี่ ผมหลับรวดเดียวตลอดจนกระทั่งไอ้มดจันไรกัดไข่ปลูกขึ้นมาให้ฉี่นี่แหละหลับไม่รู้ตัวเลยทั้งสองพูดคุยกันเบาๆในระหว่างที่เชิดวุดยืนปล่อยน้ำอยู่ตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมีอาการไม่สบายบ้างหรือเปล่าเมื่อตอนเย็นก่อนจะหลับมันทำท่าไม่ดีอยู่เหมือนกันหลับไปตอนไหนผมไม่ทันรู้สึกตัวเลยจริงๆทีแรกว่าจะมาคุยกับพี่ด้วย ตอนหลังอาหารค่าไม่รู้เผลออีท่าไหนดับเครื่องไปเลยได้หลับหลายชั่วโมงแล้วก็พอจะมีแรงมั่งนี่มันดึกดื่นกี่โมงยามแล้วนี่เกือบตีสี่แล้วมืดทมึนลึกลับน่ากลัวดีเหลือเกินคืนนี้เชิดวุฒ พ, พึมพำเหมือนจะบ่นกับตัวเองขณะที่กวาดตามองไปยังความดำรอมด้านความจริงรอก็ผ่านกันมาในสถานการณ์หนักๆมากแล้วแต่คืนนี้ ผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรน่ากลัวเป็นพิเศษทั้งๆ ท, ท, ที่ดูแล้วไม่เห็นน่าจะมีอะไรสักอย่างขนลุกสู้สู้ยังไงพิกลรับพินยิ้มบางๆซ่อนอยู่ในเงามืดประสาสลอนไปเองกระมังครับหรือไม่ฉะนั้นร่างกายก็อ่อนแรงดวงจิตเลยพลอยอ่อนไปด้วยที่นี่เป็นที่พักอันสบายและปลอดภัยที่สุดอีกแห่งหนึ่งที่เราผ่านกันมาแล้ว และเป็นที่แน่ชัดว่าไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรของไอ้ผีดิบมันไทรเข้ามาคล้องแวะกับเราอีกแล้วไม่มีจริงๆสำหรับมันไทรพี่มั่นใจหรือผมมั่นใจมาตั้งแต่ก่อนค่ำแล้วครับว่าต่อไปนี้เราพ้นพิษภัยจากมันไทรแน่นอนแล้วเพียงแค่รอผลพิสูจน์ในคืนนี้อีกหน่อยเดียวเท่านั้นนี่ก็ผ่าน้ามาถึงตีสี่แล้วยังไม่มีเข้าเงื่อนอะไรที่มันจะส่งฤทธิเดช ในด้านใดามาราวีก่อกวนเราก็แปลว่าปลอดโปร่งแล้วเพราะถ้ามันจะเล่นงานเราต่อไปก็คืนนี้แหละที่มันจะต้องโวยโอกาสเล่นงานเราให้แตกหักนี่ไม่มีอะไรเลยราบคาบสงบดีเชิดวุฒห่อไหลสถทานเยือกแล้วทำไมผมมีอาการขนลุกหยุ่เกลียวเกลียวอย่างนี้ก็ไม่รู้มันสัมผัสปแปลกๆอย่างบอกไม่ถูก เหมือนเหมือนกับว่ามีวิญญาณร้ายเป็นจำนวนมากมาจ้องมองเราอยู่ในขณะนี้ไร้าสาระคุณมีของดีอยู่กับตัวจะกลัวอะไรทำสติและประบับจิตใจให้มั่นคงเถิดครับรับรองว่าไม่มีอะไรจะถึงจนถึงตะวันขึ้นนั่นแหละอาจมีธรรมชาติเล็กหน่อยๆที่ทำให้เราต้องหลบฝนกันแต่เราก็ไม่ต้องไปลำบากหาน้าในวันพรุ่งนี้เขาบอกมาด้วยน้ำเสียงปกติ รักใคร่สนิทเชิดวุฒปัสสาวะเสร็จแล้วบ่นอะไรเงึมงำามเกี่ยวกับอวัยวะบางส่วนของเขาเองพยายามจะเอามันเก็บเข้าที่ทางแต่รู้สึกว่ามันจะทำได้อย่างครุขครักเพราะมันไม่ยอมลดตัวลงง่ายๆยิ่งคันก็ยิ่งเกาขายี้และยิ่งไปสัมผัสมันมากๆมันก็ยิ่งคึกคักเสียงอุบอิบของเชิดวุฒทําให้พรานใหญ่โฮระกึกกึกอยู่ในลาคอเคียไหลแล้วส่งตรับขี้พึ่งเล็กๆไปให้ นายทหารรุ่นน้องรับไปเปิดฝาป้ายออกมาทาแล้วสะดุ้งยงตัวงอลงอุ้ยทั้งแสบทั้งร้อนพี่นี่มันยาหมองนี่ครับไม่เป็นไรหรอกทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็หายเองดีกว่าคันขยเย อ, อยู่ <c oughs> เกามากๆอักเสบซึ่บเปล่าเชิดวุ้สูตรปากหน้าเยเกยระพินเหนียวไหลให้เดินกลับมาในบริเวณแคมป์ด้วยกันสั่งยิ้มยิ้มด้วยความปราณีต่อมาว่าไปไปนอนเสีย อย่างน้อยคุณก็ยังมีเวลาพักอีกสองชั่วโมงก่อนสว่างถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกก็จะครุบครักนิดหน่อยธรรมชาติในป่ามันเอาแน่ไม่ได้บางทีมันมีเขาว่าจะตกมันก็ไม่ตกบางทีไม่มีเขาเลยมันก็เทลงมาอย่างกับฟ้ารั่วอ่านเป็นตอนใกล้ๆสว่างก็ได้ครับที่มันจะตกลงมาตอนนี้ผมไม่ง่วงแล้วเชิญวูดบอกอาการเริ่มหายงัวงเงียผมอยากจะคุยกับพี่มาตั้งแต่เย็นแล้ว แต่ตัวเองหลับเค้กแก่ไปเสียก่อนพี่ตื่นมาทําไมครับนี่แล้วก็มีพวกเราคนไหนตื่นอยู่ในขณะนี้บ้างหรือเปล่าพรางก็กว่าสายตาไปรอบๆบริเวณภายในซึ่งมองเห็นกองไฟที่สมไว้บัดนี้เหลืออยู่กองเดียวมีบุญคํานั่งห่อตัวอยู่ตรงนั้นผมก็นอนมาแล้วพอสมควรเหมือนกันลุกขึ้นมาตรวจบริเวณเป็นเวลายามของบุญคําพอดีเห็นคุณวุฒิพลวดพลาดขึ้นมาจากที่นอนก็เลยเข้ามาดู ผมขอไปนั่งผิงไฟที่นั่นกับพี่สักเดียวได้ไหมครับแทนคำตอบรัพินโอบไหลนำเชิดวุธเดินเข้ามาตรงบริเวณที่เขานั่งอยู่กับบุญคำเมื่อครู่นี้พอใกล้เข้ามาตาคำก็ขยับตัวนายทหารหนุ่มยิ้มและทักทายพร้อมกับหย่อนตัวลงนั่งใกลๆ้ๆแต่พรานเท่าริงกาแฟในหม้อส่งให้เป็นยังไงนายทหารหลับปุ๋ยมาแต่ออหัวข้ามเลยนะสบายดีไหมสมบายอะไรล่ะ ไอ้หลับนะ่ะมันหลับหรอกแต่ฝันไม่ค่อยดีเลยลุงคำเชิดวุธถอดถุงมือหนังเอาฝ่ามือลนไฟแล้วนำมาแนบใบหน้าทำไมฝันไม่ดีถ้าฝันว่าผีจับหัวแล้วก็ผู้ชายฝันแบบนั้นไม่ดีแน่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะได้ลาบสัตว์สองขาแกพูดน้ำเสียงเหนอเหนอๆรื่อยๆหน้าตาเฉยระพินจุ้ปากเบาๆอย่างถอนชิวส่วนเชิดวุฒผาซื้ออืมหรอแปลกนี่ลุงคาเป็นนัก ทํานายฝันด้วยหรืออ้าวพูดแล้วจะว่าคุยบุญคำนะ่ะถ่ายฝันแม่นอย่างนี้เลยไม่เชื่อถามนายดูสิถ้าอยู่บ้านไม่เข้าป่าบุญคําก็รับจ้างถายฝันให้กะอีสาวสาวในหมู่บ้านเป็นประจําแม่นยำไม่เคยพลาดสักรายเดียวค่าธรรมเนียมยกครูไม่มีอะไรมากถ่ายถูกให้มันมานวดให้เท่านั้นอีพวกสาวสาวมันมักจะฝันวนเวียนอยู่กับเรื่องผีผีหรือมีมีนี่แหละวาย บุญคำพูดยังไม่ทันจบประโยคก็หกเมร ล, ลงไปจากก้อนหินที่นั่งอยู่เพราะถูกเจ้านายท้องด้วยศอกนอนครางอู้เชิววดวุธคงไม่รู้เรื่องวเราออกมาหน้าตื่นตื่นรักคนขันในกิริยาอาการของแกที่ลงไปนอนเคแก้อยู่ช่วยหิ้วปีแกประคองขึ้นมาอ้าวเป็นอะไรไปล่ะลุงทำไมลงุงหล่นลงไปนอนอยู่อย่างนั้นโอ้ยจุกเลยกู นารพินแกซุ่มซ่ามจริงๆจะยกแขนยกแมนไม่ดูให้ดีเส้อก่อนข้อสอกผ่ามาต่อเอากลางอกของบุญคำสักวันหนึ่งบุญคำจะไม่อยู่ก็แกแล้วเวลาแกนอนเป็นไข้จับสันงกงบุญคำจะยกหีบหนีแกไปเสียเลยแล้วแกก็ไอแคกแคกเกย่องเกยแยงขึ้นมากุมอกคอนเจ้านายประหับประเอกรพินชี้หน้าไปให้พ่นหูพ่นตาเสียเดี๋ยวนี้นะตะคา จะไปไหนก็ไปรําคาญเต็มทีแล้วหวานเสรู้ไอคําจนได้ไอคําไปนอนก่อนละนายนายมีเพื่อนคุยแล้วนี่ว่าแล้วแกก็เดินกลับไปทิ้งกายลงนอนตรงที่ของแกอย่างสบายใจเชิบรบพินถอนใจเฮือกครงศรีรษะอย่างช้าช้าเหลือขอจริงๆอีตอคํานี่ถ้าถอยอายุแกลงมากว่านี้อีกสัก20ปีจะเขกหัวให้นุมทีเดียวแต่ไม่ซ้าท่าสามเวลาหลังอาหาร ทำไมเหรือพี่พี่ไปไล่แกทำไมนานๆผมถึงจะมีโอกาสคุยกับแกสักครั้งลุงคําคุยสนุกออกพรานใหญ่หัวเราะหึ่หึอ่อย่าไปสนใจอะไรกับคําพูดคําจาของตะคําเลยแกเหลวไหลไร้สาระเหมือนเด็กอมมือคืนไปคบกับแกมากๆแกจะหลอกคุณให้เสียเด็ ก, กเปล่าวันไหนถ้าแกไม่มีเรื่องสั ป, ปดี้สีประดมมาเล่นแกอกแตกตายไม่รู้แกรอดเคี่ยวรอดงานในป่ามาได้ยังไงจนอายุถึงปูนนี้ นายเมื่อกี้คุณบอกว่าฝันไม่ค่อยดีฝันอะไรหรือเขาเปลี่ยนเรื่องบ่ายเบนความสนใจเชิดวุฒิเสียในทหารรุ่นน้องเอามือจับปลายคางคิดเหมือนจะทบทวนเขาหน้าเปลี่ยนไปมันคล้ายๆกับว่ารอบๆที่พักของเรานี่ถูกล้อมไปด้วยผู้คนที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆเห็นแล้วไม่จาเริญนตาเลยพากันแห่กันมาเต็มทุ่งไปหมดและมุ่งมารุมอยู่ที่นี่ ทั้งหญิงทั้งชายหนุ่มสาวแก่เท่าชราและเด็กแต่ละสารรูปมันน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินแต่ละสีหน้าดูหิวโหวยเหมือนเหล่า อ, อสุรกายในนรกมาขอส่วนบุญพูดแล้วยังขนลุกอยู่นี่คุณคิดไปถึงสุสานต่างๆของนิทราครที่เราช่วยกันระเบิดกรบปากทางตลอดทั้งวันที่ผ่านมากระมังก็เลยคิดวาดภาพไปต่างๆ เสียงของรพินเรียบเรียบปกติไม่แสดงอาการสนใจอะไรทั้งสิ้นแต่เชิดวุธสันศีษะไอพวกมอนสเตอร์หรือผีดิบทั้งหลายที่เราผจญกันมาแล้วเหล่านั้นมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะพี่มันไม่เหมือนกันกับที่ผมเห็นในฝันยกยกนี่หรอกคล้ายๆเราจะหลงเข้าไปในหมู่บ้านอดอยากหมู่บ้านที่มีการตายหมู่และวิญญาณเต็มไปด้วยทุกทรมานแต่แปลงอีกอย่างหนึ่ง แต่ละร่างเหล่านั้นมันคล้ายๆจะมีปีกกระพือบินได้เพรย่อเพ ย, พยพียบลอยวนเวียนอยู่ไปมาแต่มันก็ไม่สามารถจะเข้ามาในบริเวณที่พักของเราได้มาล้อมรอบดูพวกเราอย่างหิวโหวยเอาละ่ะขอผมถามพี่จริงๆเถอะเมื่อตอนเย็นใกล้ค่ำที่ผ่านมาพี่กับลุงคำเดินลงไปดูอะไรอยู่ที่ชายละเมอะข้างล่างโน่นอยู่เป็นเวลานานผมไม่กล้าถามต่อหน้าไอ้พวกนั้น คุณเป็นคนช่างสังเกตเหมือนกันนะโท่ผมคอยจับตามองดูพี่อยู่ทุกการเคลื่อนไหวนั่นแหละลุงคำแกสอนผมไว้ว่าให้พยายามดูพี่เถอะแล้วจะรู้หรือสัมผัสกับเหตุการณ์อะไรได้บ้างไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณเห็นยังไงถ้าทางพี่อึดอัดกังวลขณะที่เรามาตั้งที่พักกันอยู่ที่นี่เมื่อตอนเย็นแล้วก็ลงไปสำรวจบริเวณอยู่นานโดยเฉพาะตรงดงไม้น่น ถึงผมจะไม่ได้วิทยุถามพี่ลงไปผมก็ใช้กล้องสองทางไกลจับดูอยู่เงียบๆ เ, เห็นพี่ไปป้วนเปี้ยนทาอะไรอยู่ที่นั่นนานผิดสังเกต ท, ทีเดียวขณะส่งให้พวกพรานเด็กๆ ก, กลับมาก่อนแล้วพี่กับลุงคำสองคนก็ยังอยู่ตรงบริเวณนั้นอีกตั้งนานมันจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆพระพินมองจับอยู่ที่สายตาอันจ้องมาอย่างเต็มไปด้วยความสงสัยอยากรู้นั้นนิ่งไปครู่ความจริงมันไม่ใช่เรื่องสลักสาคัญอะไรนะักหรอกคุณวุฒ แล้วมันก็จะไม่เกิดเรื่องเป็นพิษเป็นภัยใดๆต่อพวกเราทั้งหมดเพราะผมเชื่อแน่ว่าสกัดกั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องปรีกย่อยขี้ผงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วผมไม่มีอะไรจะปิดคุณแต่ถ้าอธิบายให้ฟังแล้วขอให้มันอยู่เฉพาะตัวคุณได้ไหมอย่าเพร่งพลายไปที่พวกนายจ้างเพราะผมขี้เกียจจะอธิบายอะไรกับพวกเขาผมรับรองเลยพี่จะไม่บอกให้พวกนั้นรู้อย่างเด็กขาด เชิดวุฒรับปากอย่างมั่นคงเต็มไปด้วยอาการตื่นเต้นพระพินจำใจต้องอธิบายให้เชิดวุฒทราบในสิ่งที่เขาและบุญคำพบเห็นมาเมื่อเย็นนี้ต่อจนการสกัดกั้นป้องกันนายทหารหนุ่มอ้าปากงงงันไปด้วยความชงนสนเท่สำหรับความรู้ใหม่แปลกในเรื่องนี้ของเขามันทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับขอให้วางใจได้ อย่างมากที่สุดก็เพียงแค่เข้ามาให้คุณเห็นในความฝันคือกระทบเข้ามาในมโนทวารหรือจิตวิญญาณของคุณและสำหรับคริสนั้นก็อาจแววทางประสาทหูบ้างเล็กน้อยเท่านั้นผมไม่พยายามบอกอะไรให้หลอนทราบเลยเชิญวุฒครางยาวสีนาบอกไม่ถูกพี่แน่ใจหรือครับว่ามันเป็นพืชพืชบางชนิดในรกดำนี่เป็นกึ่งพืชกึ่งสัตว์ บางชนิดก็เป็นกึ่งพืชกึ่งพูดมันสุดแต่ว่าเราจะดูออกรู้ตัวล่วงหน้าหรือไม่และมีทางที่จะป้องกันตัวเราเองหรือไม่เท่านั้นสาหรับคุณเองผมไม่ห่วงเท่าไหรนะ่นักเพราะมีพระดีคุ้มตัวอยู่แล้วแต่อเมริกันพวกนั้นกับพวกลูกหาบถ้าไม่ป้องกันให้ดีอาจเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นได้สิ่งที่พวกเราทั้งหมดจะทาเฉพาะเียงคืนนี้และอยู่ที่นี่ก็แค่ปฏิบัติตามคาสั่งผม อย่าออกพ้นบริเวณที่พักที่ผมกำหนดให้เท่านั้นเอาละครับตอนนี้ผมอยากให้คุณวุฒไปนอนเสียดีกว่าถ้ามดมารบกวนคุณมากนักก็ย้ายที่เสียมานอนฝั่งนี้เขาชี้มือบอกเชิดวุดลุกขึ้นอย่างไม่สู้เต็มใจนักยังอยากจะนั่งคุยกับเขามากกว่าแต่คำสั่งของรัพพินดูเหมือนจะไล่ใครนอนอยู่ริมสุดทางด้านนี้ล่ะครับรพินซ่อนยิ้มบอกเรียบๆว่าคริสติน่าอ้อ สำหรับคืนนี้อย่าเพิ่งรบกวนอะไรหล่อนนะครับผมต้องการให้หล่อนพักอย่างเต็มที่เช่นกันคริสเพิ่งหลับไปเมื่อไม่นานนี่เองนายทหารหนุ่มชะ ง, งักนิดหนึ่งหันมาจ้องหน้าเขาอย่างพยายามค้นหาแต่ก็ไม่อาจสังเกตอะไรได้จากเข้าหน้าที่เย็นเยียบประดุดหินแก่สลักนั้นซึ่งบัดนี้แสงวอร์มแวมจากไฟในกองสาดจับมารังๆเป็นภาพเงาปริศนายากจะอ่านสิ่งใดได้ถูก ก่อนที่จะลุกขึ้นมาพี่นอนอยู่ทางด้านนี้หรือครับเชิดวุฒถามเบาๆพรานใหญ่ก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งแทนคำตอบและพี่บอกว่าคริสเพิ่งจะหลับไปเมื่อไม่นานคุณคงอยากถามผมว่าหล่อนพูดหรือคุยอะไรกับผมบ้างสุภาพบุรุษไพรดักคอมาด้วยเสียงต่ำลึกไว้กายอันสนิทนิ่งนั้นเล็กน้อยโยนเศษกิ่งไม้เข้าไปในกองไฟขณะที่กล่าวต่อ คริสคมีกังวลเกี่ยวกับน้ําเกลือที่ให้กับอิซาเบลเลยอาจทาให้หลับไม่ได้สนิทตลอดนะักส่วนผมหลับได้ในทุกสถานการณ์เพราะสั่งตนเองได้ในเรื่องนี้หล่อนเขย่าปลุกผมเนื่องจากได้ยินเสียงประหลาดประหลาดผมพยายามปัดความสนใจของหล่อนออกไปเสียเพราะไม่อยากอธิบายอะไรมากอย่างที่บอกกับคุณไปแล้วเราไม่ได้พูดอะไรกันมากพอผมแกล้งทําเป็นนอนหลับคริสก็เลยหลับไปเพราะความอ่อนเพลีย ผมจึงลุกขึ้นมานั่งคุยกับบุญคำก็พอดีเห็นคุณตื่นขึ้นมานี่แหละพี่สั่งให้ผมไปนอนทางด้านนั้นมันจะเหมาะหรือครับหรือคุณจะเลือกกลับไปนอนทางด้านเดิมที่มดมันเริ่มกวนคุณผมก็ไม่ว่าอะไรนะแล้วตัวพี่เองละ่ะไม่นอนอีกหรื อ, อยังไม่แน่อาจนอนหรืออาจไม่นอนแล้ถ้าผมจะนอนผมก็เลือกนอนได้ทุกที่ในบริเวณแคมป์ของเราไม่ต้องห่วงจากหัวค่าที่ผมมานอนชิดทางด้านนี้ mm. ก็เพื่อคอยดูเข็มน้าเกลือของเบล จะได้คอยเตือนให้คริสช่วยจัดการให้ตอนนี้เรียบร้อยดีแล้วก็เห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องคอยปลุกเรียกคริสขึ้นมาอีกไปเถิดหนาน้องชายไปนอนพักสิตรงที่ผมเคยนอนสกัดคริสไว้นั่นแหละแต่ที่เตือนไว้ตะกี้ก็เพราะเห็นว่าคุณได้หลับมานานแล้วพอสมควรแต่คริสนั้นหล่อนไม่ค่อยจะได้พักนักในคืนนี้ คุณเกิดไปจุกจิกอะไรกับหล่อนเข้าอาจเกิดเรื่องขึ้นได้ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับเวลาที่เหมาะสมนะครับพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจดีถ้าหล่อนเกิดนอนละเมอมาทำจุกจิกกับผมเองละ่ะคราวนี้รพินเหลือบขึ้นมองหน้าผมว่าคุณมีความหมายอะไรสักอย่างเกินกว่าที่พูดนะครับคริสอาจหันมากอดผมก็ได้เพราะเข้าใจว่าผมเป็นพี่เชิดวุฒิประสานสายตากับเขาอย่างตรงไปตรงมา จอมพรานลุกขึ้นยืนช้าๆก้าวเข้ามาใกล้ตบเขาเบาๆที่ต้นแขนของนายทหารรุ่นน้องไม่มีวันผมรับรองได้ผมคิดว่าผมรู้จักคริสได้ดีกว่าคุณเสียอีกอย่าดูหมิ่นหลอนอย่างนั้นคุณอาจสงสัยอยู่ว่าคริสมีใจฝักใฝ่อยู่กับผมแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่าหลอนเป็นคนถือตัวและมียางอายพอสมควรประวัติในอดีตของหลอนจะมีมาเช่นไรผมไม่ทราบ แต่นับตั้งแต่รู้จักกันในเส้นทางสายนี้คริสไม่ใช่ผู้หญิงประเภทอย่างนั้นเชื่อผมเถอะเชิดวุธยืนหน้าชาคอแข็งงานไปชั่วขณะแล้วยิ้มออกมาเจ่อนจืดผมขออภัยที่อาจพูดอะไรออกไปเพราะความโง่พี่อย่ากโกรธผมนะครับไม่รอผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีจงเป็นสุภาพบุรุษและให้เกียรติหล่อนบ้างแล้วคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการ นายทหารหนุ่มเปลี่ยนท่าทีไปจากเดิมแววตาที่มองไปยังรพินเต็มไปด้วยความคารวะายำเกรงที่เกิดขึ้นอย่างเปี่ยมล้นระคนไปกับความละอายแก่ใจตนเองไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีกทั้งสิ้นเมื่อผู้มีอาวุโสและหนักแน่นเยอกเย็นกว่าพยักหน้าเตือนอีกครั้งเขาจึงเดินตรงไปยังบริเวณที่พักนอนค่อยๆ ย, ย่อนกายลงตรงบริเวณริมสุดที่รพินปูกระสอบป่านเอาไว้เอนกายลงนอนอย่างสงบ ห่างจากคริสออกมาประมาณฝ่ามือและนอนลืมตาค้างอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลานานแล้วเชิดวุฒก็หลับไปอีกครั้งท่ามกลางความหนาวเย็นของอากาศโดยไม่ได้ขยับเข้าไปอาศัยไออ่นจากร่างที่นอนอยู่ใกล้ๆเขาเลยไม่กล้าแม้แต่จะขอแบ่งฉายผ้าแบรงเกตผืนใหญ่มาคลุมกายไม่รู้สึกตนด้วยว่ามีคนเอื้อเฟื้อครีผหมมคลุมให้ที่สวงอกเขาอย่างเงียบเชียบ ด้วยน้ำใจการุณที่มีต่อเขาอย่างบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกคนคนนั้นก็คือแม่ผมทองคริสติน่าที่หัวใจของเขาตกเป็นธาตุโดยไม่รู้ตัวนั่นเองประมาณ5นาฬิกาฝนได้กระหน่ำลงมาอย่างหนักทั้งคณะถูกปลุกขึ้นมาด้วยอาการจู่โจมของภาวะปรนแปรของธรรมชาติ เกิดโกลาหนขึ้นบ้างพอสมควรเพราะต้องหลบทั้งลมทั้งน้ำฝนโชคดียอยู่บ้างที่ไม่ถึงกับเป็นพายุใหญ่นักพวกลูกหาบได้รับคำสั่งให้ใช้ผ้าพลาสติกส่วนหนึ่งขึงหย่อนๆย่อนในลักษณะอ่างสำหรับรับน้ำเพื่อใช้ในการประทังชีพต่อไปในภาวะที่กำลังขาดแคลนน้ำโดยไม่ต้องห่วงว่าจะต้องตระเวนแสวงหาในวันต่อไปซึ่งอย่างน้อยก็เป็นสเสบียงน้าไปได้อีกสองวัน เต็มภาชนะทุกชิ้นเท่าที่มีติดตัวมาและสามารถจะหอบหิ้วไปได้ทุกคนไม่ว่าฝ่ายนายจ้างอเมริกันพรานพื้นเมืองของรพินและพวกลูกหา พ, พากันมารวมกลุ่มนั่งเจา่าบังฝนและพายุกันอยู่ในซ่อโคดหินโดยมีพลาสติกที่ใช้ปูนอนขึงกั้นเป็นหลังคาเตี้ยๆอยู่ด้านบน โดยวิธีคลุมครอบลงไปบนยอดหินเตี้ยที่งอกสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ2เมตรแต่มิตรกณะนะล้อมเป็นเหมือนรั้ววงกลมและอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของบริเวณยอดเนินอันจะไม่มีน้ำจากบริเวณที่สูงกว่าไหลเทลงมาตามพื้นต่างเปียกปวาไปตามๆกันจากล่อองฝนที่สาดแรงรอบด้านเพียงแต่ไม่ถึงกับโชคน้าทั้งตัวเท่านั้นหนาวสถานสั่นชนิดคางกระทบไปตามๆกัน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 ก็ยังเปียกน้อยกว่าที่อยู่ทางด้านริมโดยรอบเพราะละอองฝนและกระเซ็นฝนย่อมจะปลิวมาถูกร่างกายพวกนั้นก่อนรพินนั่งชันเข่าอยู่ทางด้านหนึ่งของกระจุกคน20คนที่เข้ามาเบียดเสียดกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนั้นอยู่ที่มุมเพิงอันเตี้ยที่สุดใช้มือคอยดันน้ําฝนที่ตกลงมาขังอยู่ที่ผ้าพลาสติก และขังเป็นแองย่อนต่ำลงมาโดยให้มันไหลเทจากการทวงหนักลงมาเป็นครั้งคราวขณะที่ฝนเริ่มซัด ก, กระหน่ำลงมาเขาแลบุนคำช่วยกันปลุกเตือนทุกคนให้รู้สึกตัวและลุกขึ้นมาประจันหน้ากับเหตุการณ์ก่อนที่ร่างกายของแต่ละคนจะเปียกโชกไม่จะตื่นกันขึ้นมาด้วยอาการง่วงเงียแต่ลมและหยดน้าอันเย็นเฉียบที่สัดสาดทาให้ทุกคนได้สติสานึกถึงภาวะการอย่างรวดเร็ว ต่างเพ่นกันขึ้นมาในลักษณะฉุกลระหุกกลาหนพอสมควรและก็ช่วยกันปลุกบุคคลอื่นๆที่นอนอยู่ข้างๆต่อๆกันไปเขาไม่อาจสังเกตได้ว่าอิสซาเบลที่จัดว่าอยู่ในสภาพของคนป่วยนั้นเป็นเช่นไรบ้างในภาวะเช่นนี้เพราะสภาพมันชุลมุนไปหมดรู้แต่เพียงว่าแต่ละคนในยามนั้นลุวนมีอาการเคลื่อนไหวที่แคล่วคล่องว่องวายปราดเปรียวไม่มีใครงุ่มงามปวกเปียกผิดสังเกตไปเลย สิ่งที่เขาจะร้องเตือนได้ในขณะนั้นก็คือให้ระวังอาวุธประจำตัวของแต่ละคนก่อนอื่นและให้นำสัมภาระอันเสี่ยงต่อการเสียหายจากสภาพเปียกน้ำให้หลบเข้าที่ปลอดภัยก่อนจนกระทั่งมาสิ้นสุดลงชั่วขณะเอาเดี๋ยวนี้ภายใต้โปงคลุมของผ้าพลาสติกผืนใหญ่ผืนเดียวกันฟังเสียงเม็ดฝนที่สัดลงมาบนศีรษะ และลมแรงกันโชคผ่านเสาหินธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ท่ามกลางความมืดเหมือนเหวนรกซึ่งสว่างจ้าวูบวาบขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อฟ้าแลบติดตามมาด้วยเสียงคารนครืนครันสลับไปกับสายอสุนิบาต ท, ที่แผ่สะเทือนเลื่อนลั่นบางครั้งผ่าไกลาจากยอดเนินที่พักกันอยู่และบางครั้งก็ฟาดลงมาใกล้ๆจนมองเห็นสายฟ้าสีเขียวปรบับพุ่งดิ่งลงมา และกำปนาจนหูชาทำให้รู้สึกว่าอาจผ่าลงมากลางคณะของมนุษย์กระจ้อยร้อยที่มาซุกตัวจับเจ่ากันอยู่ในซอกหินตำแหน่งนี้เมื่อใดก็ได้เมื่อฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าก็สว่างวาวขึ้นเสียครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นความมืดราวกับเหวนรก <d iam ond os> เขาตรวจนับจำนวนคนโดยเรียกชื่อไปยังพวกลูกหาบกนก็ปรากฏว่าพวกนั้นขานตอบมาจนครก ต่อมาก็เป็นพวกพรานพื้นเมืองและพวกนายจ้างตามลำดับสแตนลีย์คิดคริสติน่าเชิญวุฒและเบลเป็นคนสุดท้ายเหยี yeah. เสียงขานตอบหนักแน่นดังมาจากแม่ผมแดงในกลุ่มที่นั่งเบียดกันอยู่ด้านหลังของเขาขณะนี้ระหว่างที่เขาหยุดเงียบลงภายหลังเมื่อเรียกชื่อเบลเป็นคนสุดท้ายก็มีเสียงห้าวของสแตนลีย์ถามขึ้นว่าครบหมดทุกคนไหมรพินโดยเฉพาะพวกลูกหา ทางด้านผมไม่เป็นไรหรอกแค่สีคนเท่านั้นเราตรวจสอบกันเองแวบเดียวก็รู้ว่าใครอยู่หรือใครขาดครบหมดทุกคนครับเขาร้องบอกออกไปเบาเรียบยังขาดอีกคนหนึ่งคุณยังไม่ได้เรียกนามตัวเองเลยคุณอยู่ในกลุ่มของพวกทุกคนด้วยหรือเปล่าสุภาพบุรุษไพรวันน้ำเสียงสัพยอกดังมาจากอิซาเบลเป็นประโยคแรกหลังจากเป็นใบ้ไปนานกว่าสิบชั่วโมงเพราะอาการเจ็บป่วยสะบักสะบอมมาตั้งแต่เย็นวาน เสียงของคุณใสกังวนดีมากเบลผมดีใจมันแปลว่าคุณน่าจะปกติเหมือนเดิมแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูแลเอาใจใส่ฉันระหว่างที่ฉันช่วยตัวเองไม่ได้และกลายเป็นภาระเสียงแม่ผมแดงชัดเจนจำใสดูล่นจะกลายมาเป็นเบลคนเดิมแล้วโดยสมบูรณ์แบบสดับได้จากกระแสเสียงสำเนียงพูดคิดบ่นอะไรอู้อี้อยู่ในลาคอ ยังมืนงงต่อเหตุการณ์ที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยสายฝนใกล้รุ่งส่วนสแตเลีย์นั้นยังคงสุขุมมีความใคร่ควรวญที่รอบครอบอยู่ตามบุ ค, คลิกของเขาไม่ปริ ป, ปากบนอุทธรใดๆทั้งสิ้นแต่เอื้อเฟื้อ บ, บอกให้พวกลูกหาบทั้งหลายขยับหนีละอองฝนเบียดเข้ามารวมกลุ่มอย่างปราศจากความรังเกียจเดันเชร์วุนันน้นรู้สึกว่าได้เพลอหลับไปเพียงครู่เดียวก็ต้องตลีตะเหลือขึ้นมาอีกครั้ง บัดนี้เขานั่งกอดเขาอยู่ด้านหลังของคริสในสภาพหนาวสั่นฟันกระทบกันกึกๆคริสกอดเบลผู้อยู่ในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่กับตักเหมือนจะถ่ายทอดไออุ่นและพลังจิตอันกล้าแข็งของหล่นไปสู่แม่เพื่อนสาวและคอยใช้ฝ่ามือผลักดันผ้าคลุมที่ท่วงหนักด้วยน้ำขังห้อยต่ำลงมาระกับศีรษะ เพื่อไล่น้ำให้ไหลไปทางด้านปลายลงสู่พื้นอย่างคนฉลาดทุกคนมีสภาพเหมือนลูกนกภายในรังเดียวกันเพราะไม่มีที่จะให้แยกออกไปกำบังอื่นใดได้อีกแล้วนอกจากรวมกลุ่มกันอยู่เหม็นสาบ พ, พวกบุญคำหน่อยนะแห ม, มจ๋าหล่อนได้ยินเสียงตะพรเท่ามือขวาของรพินดังเบาๆมาจากเบื้องหลังจึงรู้ว่าคนที่นั่งหันหลังพิงยันอยู่กับหล่อนในขณะ น, นี้คือตาคานั่นเอง ไม่เป็นไรหรอกบุญคำจมูกของฉันเคยชินเสียแล้วกับกลิ่นไอของพวกบุญคํานับตั้งแต่เหยียบเข้ามาในนรกดำนี่บอกให้พวกเราทุกคนเบียดกันเข้ามาให้ชิดที่สุดไม่ต้องเกรงใจพวกฉันและไม่ต้องเอาตัวออกไปเป็นที่กําบังฝนให้พวกเราอย่างนั้นหรอก 5. อย่างนี้สิถึงจะไปด้วยกันได้เรามันคนด้วยกันนะแหม่มนะชาวป่าชาวดอยหรือฝารังมังค่ามันก็ไอคนด้วยกัน ถ้ามันจะเหม็นมันก็เหม็นพอๆกันนั่นแหละตอนนี้ขอให้พวกแหม่มรู้เถิดว่าพวกของบุญคำพร้อมที่จะตายให้แก่พวกนายแหม่มก่อนสเสมอแต่ถ้าจะมีทางรอดพวกนายแหม่มก็จะต้องมีโอกาสได้รอดก่อนเอา้าเฮ้ยไอ้จันไอ้เกิดไอ้เสยแล้วก็ไอ้ทุกคนที่นั่งงอก่องอเข็งอยู่ปลายแถวนั่นนะเบียดเข้ามาขยขยับขยัขยับเ ข, ข, ข, ข้ามาสิขยิขยิ ขยีขยับขยุ้มขยวยยโอ๊ยใครถีบกูประโยคหลังแกร้องจ้างออกมาดังลั่นเพราะไม่ทราบตีนผีที่ไหนแอบมาเนบเข้าที่สีข้างจนแทบจุกจะว่าเจ้านายของแกโดยตรงก็คงไม่ใช่เพราะเขานั่งห่างอยู่อีกด้านหนึ่งเป็นตรงข้ามกับแกในขณะนี้จะว่าไอ้พวกเด็กๆลูกน้องก็คงไม่ใช่อีกเพราะพวกนั้น เอาส่วนหลังดันแกเข้ามาทั้งนั้นไม่มีใครหันส่วนเท้ามาทางแกเลยแม่มคริสก็ทำได้ยากเนื่องจากหลอนหันหลังให้เช่นกันก็เลยกลายเป็นปลายเท้าลึกลับอันยากจะคเนได้แย่มาทางทิศทางใดบุญคาสะบดดาพึมพำอยู่คนเดียวจนรพินผิดสังเกตร้องถามมาว่าอะไรหรือบุญคำเออะวยวายอะไรเมื่อนั้นแกจึงสงบปากคาลง พยายามค่อยๆใช้มือควานหาไปในทิศทางที่สงสัยว่าปลายบาทาจะยันมาทางสีข้างซี่ขวาของแกแล้วก็คลำไปพบปลายบูดข้างหนึ่งอยู่กับพื้นในตำแหน่งที่น่าสงสัยที่สุดค่อยๆรลูบขึ้นไปก็พบว่าเป็นปรีนองนุ่มๆยุ่นยุ่นมือผิดสังเกตไปขาข้างนั้นอยู่ในสภาพกึ่งเยียดในท่อนบนและงอในท่อนล่างพับตะแคงราบกับพื้นขณะที่แกคลำไปพบนั้น ขาสวมบูทดังกล่าวอยู่ในสภาพนิ่งเฉยไม่มีอาการว่าจะดึงหดหนีใดใดทั้งสิ้นค้ามสูงขึ้นไปอีกพบบริเวณข้อพับแล้วก็เป็นท่อนขาอ่อนอันอวบตึงพอแก้ไต่าตามไล่ระขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะล้วงเข้าไปถึงซอกกลางของโคนขาด้านในนั้นปลายที่สวมบูทก็วัดโผล่ขึ้นอีกครั้งจนต้องร้องอุบแยกเขี้ยว มันตำแหน่งเดียวกับที่แกถูกเน็บด้วยปลายบูธเมื่ออึดใจที่แล้วไม่มีผิดองศาไปเลยเฮ้ยตีนผีอยู่นี่เองจับได้แล้วเสียงหัวรอดคิกๆดังมาจากอิซาเบลซึ่งครึ่งนั่งครึ่งนอนหนุนตักคริสอยู่ในขณะนี้โดยมีลำตัวสวนหน้าขดงอหันไปทางบุญคำหล่อนเตะปลายเท้าออกไปก่อนที่จะถูกล้วงเข้ามาถึงซอขากลางลาตัว